ล้มไหมลม้ศึกษาธรรมะจริงมันไม่มีพิธีการอะไรยพระพุทธเจ้าเราตายต้นไม้ก็เทศจริงๆธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะจิตใจเรามีความสุขคือปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราได้มานะคือความพ้นทุกข์นะใจ มันจะไม่ทุกข์มันเป็นของดีของวิเศษทนคนทั่วๆไปเขาไม่สนใจเขาไม่รู้จักที่คนแต่ละคนเขาสแสวงหาความสุขความสุขที่คนทั้งหลายรู้จักนี่มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาอย่างเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีความสุข ต้องมีตำแหน่งอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีเงินแค่นี้ถึงจะมีความสุขต้องสุขภาพดีๆถึงจะมีความสุขให้แก่แล้วไม่มีความสุขเจ็บไม่มีความสุขให้ความสุขมันไปอิงอาศัยคนอื่นอ네ิงอาศัยสิ่งอื่นมันมีเงื่อนไขเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขในความสุขในทางธรรมะเป็นความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าเรามีสติเราก็มีความสุขแบบคนที่มีสติ เรามีสมาธิเราก็มีความสุขแบบคนมีสมาธิเรามีปัญญาเราก็มีความสุขอย่างคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองจิตจะคลายความยึดถือในใกายในใจนี้เราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อก็รู้จักสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นชาวว่ เงินเดืนก็เยอะซีก็ใหญ่ไม่ได้ลำบากอะไรนีก็สุขอย่างโลกโลกนะก็อย่างนั้นๆ้นนะ่ะถ้าลงมาภาวนาเราเข้าใจพัฒนาจิตใจเราค่อไปเรื่อยๆเราพบความสุขที่เป็นอิสระความสุขอย่างของเราอย่างโลกโลกเป็นความสุขที่ต้องง้อคนอื่นรับต้องง้อสิ่งอื่นๆ กระทั่งอย่างคนดังคนมีชื่อเสียงนะก็ต้องอาศัยคนอื่นเขารู้จักอะไรเงี้ยมันยิงอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเลยหรือแก่ๆ แ, แล้วมีลูกหลานแวดล้อมก็มีความสุขลูกหลานไม่มาก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยไปหวังกับคนอื่นกับสิ่งอื่นงั้นเรามาหัดเรียนธรรมะนะมาพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปครูเจ้าท่านบอกเลยว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว่นํานความสุขมาให้ จิตที่ฝึกดีนำความสุขมาให้เรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเครื่องมือสำคัญเลยคือสตินะสตินะเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นตัวรู้ทันคนในโลกไม่มีสตินะเพราะาลืมกายลืมใจตลอดไม่มีสติอย่างโลกโลกทำงานได้นะเป็นหมอรักษาคนไข้เก่งเป็นพยาบาลดูแลคนไข้เก่งอะไรเงี้ย นั่สติอย่างโลกโลกสติที่เราจะใช้พัฒนาจิตใจของเรานี่เป็นสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจตัวเองไม่ลืมตัวเองทุกวันนี้เรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายของเราตลอดเวลาเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของเราตลอดเวลาจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์ จิตใจเราจะดีจิตใจจะชั่วเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นร่างกายจะเคลื่อนไหวจะทำอะไรนะเราไม่ค่อยรู้สึกเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแทบทั้งวันเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรื่องราวที่คิดมันก็เด่นชัดขึ้นมาแต่เราก็ลืมร่างกายของเราลืมจิตใจของเรารู้จักคำว่าลืมตัวไหมลืมเนื้อลืมตัวใจลอยเมอเวันหนึ่งมอเยอะไหม เมอเมือที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันแค่ว่าเมอแบบจิตใจมันหนีไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้นะแต่ความจริงกระทั่งจิตไปจดจ่ออยู่กับการทํางา น, นมันยังลืมกายลืมใจเลยอย่างเวลาเราดูคนไข้สังเกตไม้มใจเราไปอยู่ที่คนไข้เราลืมตัวเราเองนะงั้นสติที่จะมารู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยนี่สติที่หายากเมื่อสัก10ปีก่อนหลวงพ่อบวชใหม่ๆ10กว่าปี อย่าเทศช่วงแรกแรกเทศเลยบอกเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหาคนรู้สึกตัวยากจริงๆนะมันมีแต่คนลืมตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะหายากที่สุดเลยนี่เทศไปเรื่อยๆนะคนก็ค่อยๆมีสติขึ้นมาคือเรามีร่างกายเราก็ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะจิตใจของเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้คอยรู้ทันไว้นะให้คอยรู้สึก ในร่างกายในจิตใจของเราบ่อยๆสติที่รู้สึกในร่างกายในจิตใจไม่ใช่สติธรรมดาแต่เป็นสติปัฏฐานพระเจ้าสอนนะบอกถ้าตรับใดยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สอนถึงขนาดนั้นในพวกเรามหัธรรมสติปัฏฐานสติปัฏฐานจะเป็นสติรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจของเราอย่างร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึก ร่างกายเราหายใจเข้าเราคอยรู้สึกอันนี้ใช้เวลาไม่ได้ทำงานนะถ้าทำงานที่ใช้ความคิดก็ให้ไปจดจ่อกับงานไม่ใช่เวลาจเจริญสติปัฏฐานเดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานนะเราเราเวลาว่างเวลาที่เหลือนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆต่อไปมันจะเริ่มเห็นนะว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกัน จะเห็ร so ่างกายเคลือบใหม่อยู <t ani> <t ani ่ใจเป็นคนดูเป็นเรื่องแปลกกายกับใจมันจะค่อยๆแยกออกจากกันแล้วก็ต่อไปก็หัดดูต่อไปให้ละเอียดอีกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่นั้นตรงนี้นะเช่นเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดคันอะไรเงี้ยขึ้นมาให้เราคอยรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆอยู่อีกส่วนหนึ่ง หรือยุงกัดมันคันขึ้นมาเราก็เห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความคันอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆหัดแ c, ยกไปเรื่อยหรือร่างกายเราปวดมากๆเน <Courtney> <helping> ี่ยใจเราทุรนทุรายขึ <unique> ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่าความทุรนทุรายกับร่างกายเนี่ยก็เป็นคนละอันกันมันทุรนทุรายในใจหรือความเจ็บปวดทางร่างกายกับความทุรนทุรายทางใจก็เป็นคนละอันกัน แล้วความทุรนทุรายในใจนะหรือความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอะไรที่เกิดในใจนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขทุกทางร่างกายนะแล้วก็ไม่ใช่จิตใจจิตใจเป็นคนไปเห็นเป็นคนไปรู้ไปดูเขางั้นเรามาหัดอย่างนี้นะหัดค่อยๆดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราค่อยๆแยกเป็นส่วนส่วนไปเรื่อยๆ ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งก็ทำงานของร่างกายไปหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนอะไรกินอาหารขับถ่ายอะไรเงี้ยตามหน้าที่ของร่างกายไปความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของความสุขความทุกข์ไปเกิดขึ้นในร่างกายบ้างเกิดขึ้นในจิตใจบ้างอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจคนทั่วๆไปไม่สนใจความสุขเกิดขึ้นในใจนะมันก็ไปหลงระเริงกับเรื่องที่ทาให้มีความสุขไปเพลิดเพลินไป ความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเราก็ไม่สนใจดูว่าตอนนี้ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่ทําให้เราทุกข์ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์นี่เราคิดออกเปสิ่งอื่นเราไม่ย้อนมาดูตัวเองอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธหรือไม่รู้จะโกรธใครรถติดมากๆนะโกรธมันหมดเลยโกรธเอาใจออกไปอยู่ข้างนอกโกรธทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธอยู่ เวลาความรักความชอบเกิดขึ้นนะั้นเราก็ไปดูคนที่รักดูสิ่งที่ชอบนะอย่างอยากได้เสื้อใหม่ๆสึกตัวสวยๆนะใจเราไปอยู่ที่เสื้อเราหมดแต่ดูเสื้อเราไม่ดูว่าใจกําลังเกิดความโลภอยู่เกิดความชอบอยู่นะนี่เราละเลยที่จะคอยรู้ทันร่างกายของตัวเองละเลยที่จะรู้ทันจิตใจของตัวเองทั้งๆ้งที่ถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยเท่านั้นเอง เรามีแต่ความอวดเก่งอวดดีนะวดใหญ่วดโตนะวดฉลาดวดรอบรู้แต่เสร็จแล้วหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกงั้นเรามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ตรงในกายมาเรียนรู้ลงในจิตใจของเราบ่อยๆเฝ้รู้ไปจะเห็นในร่างกายกับจิตใจเป็นโคละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นโคละอนกันกุศลน่กุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงนะ ก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์และก็ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้าเนี่ยเฝ้าดูหัดรู้หัดดูบ่อยๆมีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะของร่างกายของความรู้สึกสุขทุกข์ของจิตที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆดูบ่อยๆการที่เราดูบ่อยๆนะต่อไปใจเราจะเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยเราเห็นว่าเราเที่ยวแสวงหาความสุข อุตลุดไปหมดเลยนะความสุขในโลกมันเหมือ น, อนจะจับได้แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีละเอาไว้ไม่อยู่สักทีเลยแต่พอเรามาหัดภาวนาใจเรารู้ความจริงแล้วมันฉลาดขึ้นมามันเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะนของชั่วคราวนะอะไรๆเกิดขึ้นในร่างกายก็ของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวถ้ามันเห็นอย่างนี้นะต่อไปความทุกข์มันจะลดลงลดลง อย่างมันเห็นความจริงของร่างกายมันก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปมันเป็นแค่วัตถุนะเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บอยู่ตลอดวันนะร่างกายเนี่ยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวต้องการพักผ่อนเดี๋ยวต้องการขับถ่ายต้องการอย่างโน้นนี้นะหมุนอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้าเรามีสติใครรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากๆต่อไปเราจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษที่เราจะต้องรักและห่วงแหนมากๆาหรอก งั้นเมื่อใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษเหรอกนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานีถ้าร่างกายจะแก่นีกลายเป็นตัวทุกข์มันแก่นะไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บว่าเป็นไอตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันจะตายเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะหรือจิตใจของเราเนี่ยเราเที่ยวหาความสุขเรืลยแต่อมาเรามหัดภาวนาเราเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาใ น, ในใจของเราเป็นของชั่วคราว ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุ ก, กขกนะลลนะ์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวนะความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนานาก็เป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าที่ท่านบอกว่าจเจริญสติปัฏฐาน7วัน7เดือน7ปีอะไรอย่างเงี้ยนะเราหัดดูไปเรื่อยทาไมบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีต้องดูนานดูนานเพราะใจมันดือ้อสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมานาน คนไหนสะสมปัญญามามากหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจมามากก็ดูไม่นานค่อยๆสะสมเมาถ้าเราดูไปเรื่อยจนวันนึ่งใจมันยอมรับความจริงนะว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโรคปวดหลง ก, ก็ชั่วคราวนะกุศลต่างๆเช่นความขยันมันเพียนบางทีก็ขยนันบางทีก็ขี้เกียจเนะี่ยเราเห็นเองทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวหมดเลยขยันก็เป็นของชั่วคราวขี้เกียจก็เป็นของชั่วคราว ได้เห็นซ้ําแล้วซ้าอีกลงไปเรื่อยใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเป็นของชั่วคราวต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะไม่หวั่นไหวเพราะใจมันรู้ความจริงแล้วอย่างเราดิ้นรนหาความสุขแทบตายเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยความดิ้นรนที่จะหาความสุขจะหายไปนะหรือเราดิ้นรนหนีความทุกข์แทบตายสติปัญญามันเกิดเรารู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวเนี่ยความดิ้นรนมันก็หายไปถ้าจิตเราไม่ดิ้นรนสักอย่างเดียวนะ จิตใจจะเข้าสู่ความสงบมีสันติสุขเกิดขึ้นเลยแตนจิตใจที่มันหิวโหยมันดิ้นรนตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกข์นะหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่เรามาหัดดูของจริงได้นะถ้าเราเห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวเนี้ต่อไปพอเราไปพลัดพรากจากสิ่งที่รักสมมติเรามีแฟนอยู่แฟนเรานอกใจเราหรือเรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่เราตายลูกของเราตายนี่หรอ พลัดพรากอะไรเงี้ยเกิดขึ้นถ้าใจมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจมันจะยอมรับปรากฏการต่างๆได้อย่างปรากฏการของความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยใจมันยอมรับความจริงได้ว่าจริงๆก็เป็นอย่างเนี้ยทุกอย่างมันของชั่วคราวนะพ่อแม่เราก็อยู่กับเรามาพอสมควรอะไรเงี้ยก็จากไปลูกของเราอยู่กับเรามานะสักพักหนึ่งพอเ้าโตเขาไปเรียนหนังสือที่อื่น หรือเขาไปมีครอบครัวไปทํางานที่อื่นก็นพลัดพรากออกไปเนี่ยทุกข์ก็เคยอยู่กับเราตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาคือใจยอมรับว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะเป็นเรื่องธรรมดาปรากฏการทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าปรากฏการทางร่างกายหรือปรากฏการทางจิตใจนะถ้าใจยอมรับได้ว่าปรากฏการทั้งหลายเป็นธรรมดาเนะี่ยความทุกข์มันจะไม่มานะความทุรนทุรายในใจจะไม่เกิดอย่างเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ ร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเรายอมรับว่าร่างกายต้องเจ็บไข้นะเจ็บไข้ขึ้นมาจิตใจไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเฉพาะร่างกายให้หมอรักษาไปใจของเราเรารักษาเองหมอมารักษาไม่ไดนะ้หรือเราจะต้องพลัดพลากจากคนที่เรารักนะเราก็รู้ความจริงนะว่าทุกอย่างมันโชว์ขาวเนี่ยความพลัดพลาดเป็นเรื่องปกติถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะใจยอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์หรอก ถ้าเรายอมรับไม่ได้ถึงจะทุกข์อย่างน้ําจะท่วมไปีกไกลนะน้ำจะท่วมเราทุกข์เยอะเลยเราไม่อยากให้น้าท่วมเพราน้ําท่วมไปสักพักเราชินนะเราชินเรายอมรับได้ว่ า, วาน้ํามันต้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันวันหนึ่งมันก็ไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทุกข์ใหม่ๆทุกข์เยอะนะพอใจมันยอมรับน้ําได้ใจก็ไม่ทุกข์ใจปฏิเสธไม่อยากให้น้ํามาใจก็ทุกข์เยอะใจปฏิเสธไม่อยากให้แก่เพรความแก่มาก็ทุกข์เยอะใจยอมรับความแก่ได้นะ ความแก่มาก็ไม่ทุกข์ความเจ็บไข้มาก็ไม่ทุกข์นะความตายจะมาก็ไม่ทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักผ่านมาก็ไม่ทุกข์ยอมรับได้ไว่าทุกอย่างมันชั่วคราวการได้เจอกับสิ่งที่ไม่รักเป็นคราวๆนะต้องยอมรับความจริงชีวิตเจอสิ่งที่ชอบบ้างสิ่งที่ไม่ชอบบ้างนะถ้าเราดูะไรสิ่งที่ชอบก็ชั่วคราวสิ่งที่ไม่ชอบก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันนะถ้า สิ่งที่ไม่ชอบผ่านมานะใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่งนเามาหัดนะหัดมีสติเนะี่ยคอยดูความจริงในใกายในใจให้มากจนปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดคือมันยอมรับความจริงได้วนะ่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์นะคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงว่ามันถูกบีบคั้นอยู่คำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีนะมันไม่มีมันหายไป คำ ว, ว่าเป็นทุกข์เนีสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สไลายไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะความสุขเป็นตัวทุกข์ตัวนึงก็ถูกบีบคั้นในที่สุดความสุขก็หายไปนะของไม่เที่ยงหมายถึงของของมันมีอยู่แล้วมันก็หายแล้วนะของเป็นทุกข์ก็คือของซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้หายนะแล้วของเป็นอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุ นะถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ไดนะ้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งนะถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตนะว่าในกายในใจของเรามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาใจจะยอมรับปรากฏการทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไดนะ้ถ้าใจยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเองไม่ยากอะไรหรอก พวกเราจริงๆปฏิบัติก็ทำได้แต่เราละเลยเราไม่รู้ว่าของดีของวิเศษอยู่ตรงนี้เราก็ดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆเราไม่รู้เลยว่ามันง่ายนิดเดียวนะย้อนกลับมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจของตัวเองให้มากวันใดที่ใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในใกายในใจมันของชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะถ้ายอมรับได้อย่างแน่วแน่อยเป็นะใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะแยกออกจากกันนะมันจะแยกออกจากกันในการที่จิตมันจะแยกออกจากสิ่งต่างๆจากปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยแยกได้หลายแบบอันหนึ่งก็คือมันแยกออกมาเป็น2องค่ายๆอยู่คนละเรือไไม่กระทบกันอันนี้ยังไม่ได้พาวนาสุดขีดนะถ้าภานาสุดขีดเต็มที่มันจะแยกอีกแบบหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกัน เหมือนคนโบราณบอกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นก็อยู่ในปากงูแต่ไม่กระทบกระทั่งกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆหัดนะใครเคยเห็นกายกับใจแยกจากกันบ้างนอกจากด็อกร์โบมีไหมถ้าไม่มีต้องไปหัดดูนะลองไปหัดดูถ้ายังทำไม่เป็นยังถูกอีกนานเพราะการเจริญปัญญาพระเจ้าสอนในบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ปัญญาขั้นที่1 น, นะใน16ขั้นขั้นที่1ชื่อนามรูปปริเฉทยานการแยกรูปนามกายอยู่ส่วนนึงใจอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นเนี่ยอย่างพยักหน้านี่เห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ต่อหากเนะี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายกับพิษตาใจเราเป็นคนดูจะค่อยๆรู้สึกมันเป็นโกลาหลกันแต่อันนี้ไม่ใช่แยกแบบพระอรหันต์แยกนะอันนี้เป็นแยกขั้นต้นเพื่อการเดินปัญญา ต่อไปเราก็จะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนนึ่งใจอยู่ส่วนนึงถ้าเห็นตรงนี้ได้นะยังไม่ถึงบรรลุทำอะไรสักขั้นเดียวเนี่ยฝึกได้แค่นี้ก็ได้ประโยชน์เย อ, อะเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะเห็นร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยนะจะเริ่มเห็นได้ขนาดนั้นค่อยๆฝึกเอานะไม่ได้ยากหรอกทุกคนดูไกลดูใจของตัวเองได้แต่ละเลยที่จะดนะูร่างกายเราอยู่อย่างนี้มันหายใจออกรู้สึกได้ไหมรู้สึกก็รู้สึกได้แต่ไม่สนใจ ร่างกายอยู่ตรงนี้หายใจเข้าอยู่รู้สึกไหมหายใจออกรู้สึกไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไหมรู้สึกได้แต่ไม่ไม่สนใจไมหมมัวแต่ไปนสนใจสิ่งอื่นต่อไปนี้เรามาสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะมาเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นหรือจิตใจของเราเป็นสุขรู้จักไหมความสุขในใจใครไม่รู้จักมีไหมรู้จักทุกคนความทุกข์ในใจรู้จักไหม ความโลภรู้จักไหมความโกรธรู้จักไหมความฟุ้งซ่านรู้จักไหมความหดหู่รู้จักไหมความเซ็งรู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมกลัวเป็นไหมเบื่อเป็นไหมเย็นเป็นไหมเย็นกับเบื่อเ็าไม่เหมือนกันใช่เลี่ยนรู้สึกไหมเลี่ยนสารพัดความรู้สึกนะกังวลใจกลัวอะไรต่ออะไรความรู้สึกนานาชนิดเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจมัน อย่างเราขับรถไปนะคนปาดหน้าใจมันโกรธทุกคนรู้จักความโกรธในใจแต่ไม่สนใจจะดูพะคนมาปาดหน้าเราก็จะไปดูให้คนที่มันปาดเราเราไปดูคนอื่นเราไม่ดูที่ใจของเราว่ากำลังโกรธอยู่ง่ายนิดเดียวเองนะแค่ย้อนกลับมาดูกายดูใจของตัวเองให้บ่อยๆมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้บ่อยๆนี่แหละเรื่องพิธามสติปัฏฐานอยู่ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างนะไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยต้องดูบ่อยๆนะหลวงพ่อถัดตั้งแต่เป็นโยมตอนเป็นโยมนะตื่นนอนขึ้นมาตอนนั้นรับราชการอยู่ตื่นนอนขึ้นมานะนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแรงเลยขี้เกียจละขี้เกียจไปทำงานระหว่างวันจันทร์อังคารพุธวันไหนขี้เกียจมากที่สุดวันไหนมี วันจันทร์พวกวันจันทใครรู้สึกวันพุธหน่าเบื่อที่สุดมีไหมวันพุธเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยจะเบื่อเลยหาเรื่องไปเล่นกีฬาบ้างไปอะไรบ้างนะวันพฤหัสกับวันอังคารความรู้สึกเหมือนกันไหมวันพฤหัสกับวันจันความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนวันพฤหัสกับวันศุกร์ความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมวันพฤหัสเริ่มรีแล็กซ์นะรู้สึกไหมถ้าทํางานห้าวันนะ วันศุกร์เนี่ยก็ดีกระดาเลยไม่ใช่แค่รีแล็กซ์วันจันทร์นะเหี่ยวแห้งขี้เกียจขี้คลานวันอังคารก็กัดฟันไปสู้วันพุธก็เส็งเซ็งก็ทนทนไปผ่านวันพุธไปได้ก็เริ่มมีความสุขเนี่ยดูไปนะการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยใครรู้ทันใจของเราเบื้องต้นก็หัดรู้แต่ละวันไม่เหมือนกันหัดอย่างนี้นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่นี่หยุดงานวันไหนมีไหม หรือหมุนเวียนกันเราหมุนเวียนกันไปไม่แน่นอนถ้าถ้าแน่นอนเนี่ยจะเห็นตัวนี้ง่ายนะค่อยๆหัดดูนะไม่ใช่ยากเลยพอดูเป็นวันๆได้แล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันค่อยดูอย่างนี้นะแล้วในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันตอนค่ากับตอนเช้าความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนกลางวันกับตอนบ่ายรู้สึกเหมือนกันไหม ตอนบ่ายรู้สึกยังไงตอนบ่ายก็มันก็เหนื่อยเหนื่อยเนาะกินข้าวมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะอยากพักผ่อนอย่างเงี้ยมันไม่สดชื่นเป็นเช้าๆเนี่ยคอยรู้ตัวเองนะทีแรกก็หารู้เป็นวันๆแต่ละวันไม่เหมือนกันต่อมาก็หารให้ละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยพอชำนาญแล้วต่อไปดูแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกัน ขณะที่ตาเรามองเห็นอย่างนี้เห็นคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้เห็นคนอีกคนหนึ่งความรู้สึกเราเป็นอีกอย่างหนึ่งใคยเป็นไหมเห็นคนนี้ก็มีความสุขแล้วเห็นคนนี้ก็เอียนจะแย่แล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันออกไปถ้าเรียนจนมาถึงเห็นเป็นขณะขณะได้นี่นัเข้าขั้นใกล้จะสุดยอดแล้วนะงั้นเบื้องต้นก็ดูเป็นวันๆต่อมาก็ให้มันละเอียดขึ้นในวันเดียวกันเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เหมือนกัน พอดูได้ละเอียดเต็มที่เราจะเห็นว่าแต่ละขณะนี่ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้ขณะเห็นคนนี้ความรู้สึกอย่างนี้ขณะที่ได้ยินเสียงอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่ได้กลิ่นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่กินข้าวข้าวแต่ละคาอร่อยไม่เท่ากันถ้าเรากินของที่เราชอบนคไหนอร่อยที่สุดคาแรกหรือคาสุดท้าย อยู่ที่ว่ามีให้กินเยอะแค่ไหนถ้าให้มีกินแบบไม่จํากัดนะนอนสต็อปอะท้ายๆเนี่ยแทนที่จะอร่อยนะจะไปเอียนที่สุดเลยไม่อยากกินแล้วใช่หไหมเนี่ยรถก็รสเดิมนะแตความรู้สึกเราเปลี่ยนนะเน่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของเราบางคนตอบหลวงพ่อบอกคําแรกพวกนี้มีสติในการกินรู้เลยคําแรกนี่ชอบมากส่วนพวกตะกละเนี่ยไม่รู้สึกหรอกคาแรกก็ไม่รู้สึกอละนะ ซอสก็ไปหมดชามแล้วค่อยรู้สึกหน่อยๆอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะใครแค่มีสติแล้วก็คอยรู้เท่าทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดในใจเราที่แรกดูเป็นวันๆต่อมาก็ดูแต่แต่ละเวลาไม่เหมือนกันต่อมาดูแต่ละขณะเขาไม่เหมือนกันพอเราเห็นแต่ละขณะไม่เหมือนกันเนี่ยเท่ากับเราป้อนข้อมูลให้จิตเราได้เรียนรู้แล้วว่าทุกอย่างนี้ไม่คงที่ นะความสุขแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันความทุกข์แต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันความดีแต่ละขณะความชั่วแต่ละขณะไม่เหมือนกันจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาเนะี่เฝ้าดูไปเรื่อยจนจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่ความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะแล้วถ้าภาวนาสุดขีดนะจิตกับขันะพลากออกจากกัรแยกออกจากกันนะ จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปละใจยังเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะโปร่งโล่งเบามีความสุขทั้งวันทั้งคืนมีข้าวกินก็มีความสุขนะไม่มีข้าวกินก็ยังมีความสุขสุขทางใจนะสุขใจใช่ฝึกเล้นะไม่ยากหรอกเทศเทนี้ก็พอแล้วมั้งนะเทศมากเดี๋ยวจะเบื่อเบื่อหรือยังสาวเสียงใคมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหม ใครใจลอยบ้าง mm hmm. เห็นไหมใจเราลอยไปอยู่ที่เขาหมดเลยเนี่ยเรียกว่าใจมันลอยไปหลวงพูด่ดูลเรียใจลอยว่าจิตสอ อ, อกนอกทันทีที่จิตส อ, ออกนอกเราเห็นเขาเราลืมกายลืมใจของเราเองนะนี่ไม่ได้ทําสติปัฏฐานละเนี่ตอนนี้ใจเข้าไปอยู่ที่ไม่อยู่ไหมธรรมศาสตร์หลวงพ่อครับจะขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านนะครับปกติก็ ทำใีรูปแบบโดยการเดินจงกรมครับ mm hmm. แล้วก็คือก็จะหลงไปคิด mm hmm. ก็จะรู้แล้วก็พอรู้เสร็จก็จะกดเอาไว้อะครับ mm hmm. ก็จะเพ่งเพ่งแล้วก็พอเพ่งก็หาย mm hmm. หายเสร็จก็จะมารู้ว่าเรากาลังเดินอยู่ mm hmm. แล้วก็จะหลงใหม่ก็จะวนเวียนสลับกันไปอย่างเงี้ยตลอดครับเราไม่ได้เรียนเพื่อจะให้รู้ตัวตลอดเวลาหรอก แต่เราจะเรียนจนเห็นหนะเลยเผลอก็ไม่เที่ยงนะเผลอก็บังคับไม่ได้รู้สึกตัวก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้เพ่งก็ห้ามมันไม่ได้เราเรียนจนเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเท่าเทียมกันนะด้วยความเป็นไตรลักษณ์คุณหมอลองมาเดินโชว์หน่อยได้ไหมนะดูสิเดินจงกรมยังไงคุณหมารู้สึกไหมเราไปบังคับใจเราก่อนแล้วนะได้ทําใจให้เรียบร้อย ให้เรารู้ทันว่าเราตัดแปลงใจของเราไปแล้วอือใจได้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันนะโอ้ใจได้คุณนมอเดินเรื่อยๆนะเดินเป็นถูกนะถูกแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้นะหรือเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นแค่คนดูกายกับใจแยกจากกัน หรือใจหนีไปทํางานก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้นะใจหนีไปคิดหรือยังเนี่ยใจมันหนีไปคิดให้เรารู้ทันนะนีน่ฝึกเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเกิดปัญญาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงองมันเองเราบังคับมันไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้นะแต่เรียนจะรู้ความจริงว่บังคับไม่ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อหักภาวนาแลมุ่ง จะให้มีความสุขมีความสงบมีความดีนะหา้าภาวนาอยู่ น, นันในสุดก็รู้เลยความสุขมันก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงนะกระทั่งดีก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็เห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่คงทีนะ่เรียนใจอยอมรับตัวนี้คนไม่ภาวนานะจิตมีแบบเดียวหลงคนที่หัดภาวนาช่วงแรกๆหนะลงไปแล้วก็รู้สึกนะแล้วก็ไปเพ่ง หลงรู้สึกแล้วก็เพ่งนะพอฝึกชำนาญมากขึ้นก็หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไม่เพ่งนะพอชำนาญมากจริงๆก็เหลือแต่รู้ ร, รูนะไม่หลงใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนใจมันจะมีความสุขมีความสุขมากเลยความสุขในโลกโลกเรานึกว่าดีมากมีเศษมากนะพนาะภาวนาไปเจอความสุขของธรรมะ รู้สึกความสุขของโลกนะมันความสุขเหมือนเด็กเล่นดินเล่นทรายโฉบปลกความสุขเด็กมันก็มีความสุขนะไปคุยดินไปโฉบปลกอะไรเงี้ยไม่มีความสุขความสุขโลกโลกไปอย่างนั้นแหละใจลอยอยังคุณหมอเอเ อ, เ อ, อเออกดกดว่าเผอปุ๊บกดหนีไปเนาะให้รู้ทันทำไมคุณหมอต้องกด ม, มันโลภนะ มันอยากรู้ตลอดเวลามันอยากไม่ให้เผลอใช่ไหมมันมีคำว่าอยากเกิดขึ้นถ้าคุณหมอรู้ทันใจที่อยากลั่ตัวเดียวนะจะไม่โกรธอีกแล้วอยากดูตลอดเวลานี่จะเพ่งเอาอยากไม่ให้เผลอเลยเพ่งอยากรู้ให้ชัดเพ่งมันลงที่อยากนี่เถ้ารู้ทันนะต่อไปความอยากเกิดรู้ทันปขาดไปนะไม่เพ่งอะ่ะใจรอยอย่างคนเนี้ย <laughs> ใช้ลอยไปให้รู้ทันรู้สึกเอารู้สึกเอาของคุณใช้ได้นะดีน้ำพสกาหลกพ่อครับเนื่องจากว่าภารกิจในแต่ละวันนี้ต้องทำเยอะนะฮะดูแลคนไข้จิตก็ต้องจดจ่อทำงานขับรถกลับบ้านไปซื้อของ อ, อันนี้จะต้องจัดเวลาที่จะ จ, ะจ ด, ดูจิตสินะ ดูจิตมันดูได้เรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละเวลาที่เราทํางานเราบอกวันหนึ่งทาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนะจริงๆเราทําไม่ถึงอะ่ะอย่างเวลาเราเดินระหว่างห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งเนี่ยนะนี่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวไปได้เลยในเวลาเราอยู่กับคนไข้อนะไรต้องจดจอนะ่ออันนั้นไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัตินะเราต้องแยกให้ออกถ้าเราเอาเวลาทํางานไปปฏิบัตินี่คอร์รัปชันนะ เราถึงเวลาทํางานต้องทํางานเต็มที่นะการทำงานอย่างเวลาขับรถเนี้ยขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานใช่ไหมเราก็คอยรู้ทันร่างกายบ้างจิตใจบ้างรถติดแลความรู้สึกเป็นไงนะรถติดไฟแดงคันที่หนึ่งรู้สึกยังไงรถติดไฟแดงคันที่10รู้สึกไงไม่เท่ากันนะติดคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บใจมากนะเนะีเราก็ดูไปได้เลยนะส่วนเวลาทํางานจดจ่ อ, อ ง, งาน เพราะะหลวงพ่อคือในเวลาทํางานนี้ก็คือไม่ให้ดูจิตไม่ต้อ ง, องปฏิบัติยกเว้นกิเลสเกิดเช่นคนไข้ยโยเยมากโมโหแล้วรั้วโมโหอย่างนี้ส่วนเวลาปกติก็จดจ่อการงานไปเรายกเว้นสองสภาวะนะสองคณะสองช่วงไม่ใช่ไม่ใชส่สองแบบที่เราไม่ต้องปฏิบัติเทอาหนึ่งตอนเวลาทํางานที่ต้องคิดอัน ท, ที่สองตอนที่เรานอนหลับ เวลาที่เหลือเป็นเวลาปฏิบัติกินข้าวก็ปฏิบัติได้ไหมเห็นร่างกายกินใจเราเป็นคนดูนี่ก็ดูกายว่ากายไม่ใช่เรากินข้าวไปจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจโมโหขึ้นมาไม่อร่อยอะไรนะรู้ทันใจนี่ก็ปฏิบัตินะอาบน้ําก็ปฏิบัติได้ไหมกระทั่งเข้าห้องน้ําขับถ่ายก็ปฏิบัติได้นะเวลาท้องผูกรู้สึกไงสดชื่นไหมถ่ายได้ครั้งแรกหลังจากท้องผูกรู้สึกไงไหมถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกเลยรู้สึกไง ถ่ายมาตั้ง20ครั้งแล้วรู้สึกสงสัตายแน่แล้ววันนี้แค่ขับถ่ายนะก็ยังปฏิบัติได้นะทำได้หมดแหละแต่เวลาทำงานก็จดจ่องานถึงเวลานอนก็อย่าห่วงปฏิบัตินอนไปเลยสติมันทำงานเองเวลานอนหลับเนี่ยจะพลิกซ้ายพลกวาเนี่ยสติรู้หมดเลยนะร่างกายนอนกลนครอกๆเลยจิตตื่นเป็นคนดูอยู่นั้นเลยเหมือนเห็นคนอื่นนอนเลยค่อยๆฝึกนะ อาศจกดิ์มากเลยกลับพมพัศกาลหลวงพ่อคะ่ะเวลาที่เราเรารู้สึกเมเปลี่ยนแปลงไหมเห็นเจ้าค่ะ<อ>ท่านแต่แต่แต่ว่ามันันช้ามากเลยเจ้าค่ะท่ า, ทานอย า, อยากช้าหรือเร็วอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราอยากให้เร็วๆเราจะรู้สึกช้าถ้ารู้ไปตามสบายๆจะพบว่าเรามีพัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้วล่ะคือแบบยมสงสัยว่าแบบว่าที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สึกว่าจิตไม่เป็นเราเนี่ย คือโยมจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เกิดข้างในเอ่ะเจ้าค่ะท่านมันบังคับไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตก็ยังเป็นเราอยู่เจ้าค่ะท่านยัเป็นยังไม่ใช่พระโสดาบันนะแต่การที่เห็นสภาวะเห็นถูกแล้วนะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นฟุดขึ้นมาแล้วดับไปฟุดแล้วดับบังคับไม่ได้ถูกต้องแต่แต่โยมก็บังคับมันเจ้าค่ะท่านเพราะว่าแบบบางทีถ้ามันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีก็พยายามจะกด เราไม่กดนะดแต่เราปิดปากปิดมือปิดเท้าไว้เท่านั้นทางใจเนี่ยปล่อยให้ทํางานแล้วดูมันแต่ทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ให้ผิดศีลแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะรู้สึกอึดอัอดมากเจ้าค่ะท่านยิง่งยิ่งคือพอยิ่งฝึกไปเนี่ยอะไรที่แต่ก่อนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอขัดเคืองใจนิดหน่อยแต่ดูนี้ทําไมมันเพราะว่าเราเห็นชัดมันแบบบางทีถูกเข้าปาดหน้าเนี่ยมสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึก เราก็จะวอยวายนิดหน่อยแล้วมันก็จะหายไปแต่พอตอนนี้เนี่มันจะรู้สึกเหมือนกับมันมีก้อนดันขึ้นมาปุ๊บ<ช>แล้วก็หายปุ๊บแล้วก็หาย<ช>อย่างนี้ตลอด เ, <ร>เลยเราเห็นได <คะ S 2> ้ชัดขึ้นแต่ก่อนก็มีแต่เราไม่เห็นะอย่างนี้เป็นปกติใช่มครับคะท่ า, าดนดูแต่ว่าไม่ให้ทําผิดทางกายทางวาจานะทางใจเนี่ยเราไม่เก็บกดนะทางใจอะไรผุดขึ้นมาสักว่ารู้ว่าเห็นไปจะเห็นแล้วมันทํางานได้เองมันผุดขึ้นมาได้เองค่ะครับค่ะท่ า, านไอ้ก้อนนั้นจะผุดขึ้นตรง ลิ้นปีเนี่ยเนาะเราปดสุขทุกข์ดีชั่วโลภโกรธหลงพูดขึ้นตรงนี้หมดเลยเนี่ยวิชาแพทย์ไม่มีนะอันเนี้ยทำไมไปปลดที่ลิ้นปีค่ะก็ถ้าไม่มีมีใครมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่ป๊อกถวายพวงมาลัยค่ะ ไรใจลอยบ้างทั้งห้องเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยหัดอย่างนี้นะหัดเรื่อยๆหัดเรื่อยๆ เ, เราชีวิตจะเปลี่ยนของคุณเปลี่ยนนะรู้สึกปะปจิตมันตื่นแล้วขันมันก็แยกอาการแยกได้ต่อไปไม่เห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดี เอาแล้วนะพอศพคนเดียวหลวงพ่อไปแนละ้วไปรดน้ำศพอีกอมีคนมีคนเอาของมาถวายนะคะหลวงพอเดี๋ยวเดี๋ยวขอกล่าวคําถวายร่วมกันเลยนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจะตุปปัจจัยธยธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปรามโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อปราโมทจงโปรดรับจะตุปปัจจัยธยธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทินยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนเตสาครังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสภพภูเรนตุสังกปา จันทธปนรสยยาถามณีโชติระโสยถ า, ส, ยาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินาสตุกมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังสทลวงพรออนุโมทนาพวกเราหลายคนนะ เราหลายคนพัฒนาขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของคุณด้วยนะเปลี่ยนเรารู้ด้วยตัวของเราเองถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอาจจะผ่านมา30ปี40ปีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เราลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะปีสองปีนี่เปลี่ยนมากเลยจากความมืดความไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันแจ่มใสามากขึ้นมากขึ้น รู้เนะรู้ตัวได้เยอะขึ้นเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นความทุกข์ก็ห่างออกไปห่างออกไปนะดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ภาวนานะเจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะจะดีอยู่แค่นี้ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเจอที่ไหนก็ตามนะ